ก, การนวดสกัดโลตาค่ะคือรู้สึกช่วงที่แบบจเจริญสติอะค่ะเหมือนมีสติไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดอาการเบื่อหน่ายอะค่ะคือเหมือนแบบปลงมั้งคะเบื่อหน่ายแบบ พอฟังใครหมู่กลุ่มคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันสนุกสนานกันเราก็จะแบบนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรค่ะเหมือนรู้สึกเบื่อหน่ายว่าแบบโปลงอะค่ะก็เลยอยากทราบว่าอาการอย่างนี้คือยังไงอะค่ะอาการนี้คือหลงอารมณ์ หลงอารมณ์หลงอารมณ์เบื่อหลงอารมณ์เราต้องไม่ไม่ต้องไม่ปล่อยเป็นไปตามอารมณ์คือเราไม่เห็นความปรุงแต่งไม่เห็นความคิดปรุงแต่งเราแล้วเราก็ราปรุงแต่งหน้าเบื่อจริงๆคุยกันไรจสาละอย่างเลยแล้วเราก็เลยพอเราคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันก็เลยอารมณ์ก็เลยเบื่อเบื่อไปตามความคิดปรุงแต่งของเราอะวิธีแก้คือต้องเห็นความคิดปรุงแต่งอย่าไปดูอารมณ์เบื่อ ไม่เห็นความคิดปรงแต่งรู้ต่สานความคิดปรงแต่งมันก็จะหลุดจากอารมณ์เบื่อได้เห็นความคิดมั้งไหมเห็นความคิดปรงแต่งมั้ไหมคือเห็นแต่อารมณ์เบื่อเห็นเห็นเหมือนเห็นตัวไม่ไม่รู้ว่าเห็นกิเลสหรือเห็นอะไรอะค่ะแล้วมันทำให้เราตัวเราอะค่ะเหมือนไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันยังเป็นอารมณ์เบื่ออยู่มันยังไม่เห็นจิตปรงแต่ง เป็นอารมณ์เบื่ออืมไม่อยากนี้ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นโลกนี้น่าเบื่ออะไรเงี้ยบางคนร้องไห้ไปเลยนะบางคนร้องไห้แล้วก็ปรุงแต่งไปจนเบื่ออะไรเงี้ยเราต้องไปแก้มาเลยต้องไปแก้เบื่อร้องไห้มาอยู่แล้วโลกอะไรร้องไห้เราต้องไปอยู่ป่าแล้วอะไรเงี้ย โอ้ยคนวิ่งมาหาเราอยอะเลยจ้างไปดูหน่อยไปดูหน่อยแล้วไมเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราไปดูอ้าวฝ่ายลวิปราชไปแล้วร้องห่มร้องไห้เราไม่ไม่ได้แล้วเราต้องไปอยู่ป่าเราเบื่อโลกเราอยู่โลกไม่ได้แล้วเลยร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยเนี่ยเราไปอยู่กลางๆเรียกไม่ได้ยินเลยเราเรียกมันก็ไม่ได้ยินเฮ้ยนั่มันเป็นอย่างไรบ้างเรียกไม่ได้ยินเอาแต่ร้องไห้หยิบข้าวของหยิบหยิบวางวางหยิบหยบวางๆงเก็บข้าวของจะไปจะไปป่าไปอยู่ป่าเราก็เรียก ชื่อเรียกก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวร้องไห้อยู่เนี่ยหยิบหยิบวางหยิบวางหยิบจับใส่บ้างวางบ้างอะไรไม่รู้ร้องวะร้องหงมร้องไห้แล้วก็เพ้อไปอย่างเงี้ยเราเบื่อโลกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอะไรคนนี้ก็ต้องตายไปหมดลูกหัวก็ต้องตายเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหนีไปร้องหงมร้องไห้ไงเงี้ยเราก็ไปเรียกชื่อตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกตัวเลยเอ๊ะทำไงวะเราก็นึกเอ๊ะอ่าแล้วนี่มันเบื่อจนเข้าขาั้นริบ巴าดนล้ว วิปราชมันมันไปเป็นหลงความคิดคิดไปคิดปรุงแต่งไปอย่าเงี้ยแล้วแต่ล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้สึกตัวเราเรียกชื่อยังไม่รู้สึกตัวเลยเราเลยเออเอาไงวะพอเราตีนาปุ๊บโอ้เรารู้วิธีแก้ปุ๊บเอาเลยเราแก้งเอาโทรศัพท์โทรโทเราไปโทรกใกล้หูเลยบอกว่า นี่นีตอนนี้นีมีคนเบื่อโลกเบื่อข้อเบื่อแล้วจะหนีเข้าป่าที่วัดป่ารับไหมที่วัดป่าเนี่ยรับใช่ไหมรับรับคนเบื่อโลกใช่ไหมรับใช่ไหมรับรมมาเลยนี่มาจอดนี่มาจอดตรงนี้เดี๋ยวเร็วเๆๆมาเดี๋ยวนี้เลยกำลังเบื่อมากเลยเบื่อจัดเลยเราเราพอจะหยิบอะไรเราแก้งหยิบก่อนเลยพอเราจะหยิบอะไรเราแกงหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบไปใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วหยิบก่อนหยิบก่อนหยิบก่อนให้เขาหยิบไม่ทันเลยเพราะเขาจะจับเราก็หยิบก่อนแล้วเราก็พูดดังๆเต่อหูเงี้ย มาแล้วเหรอรถมาแล้วเหรอไปไ ป, ไปไปไปดี๋วนี้เลยรถมารับไปเอาคนเบื่อโลดจากเข้าป่าแล้วนะออกมาแล้วเหรอเอา ม, ามาขึ้นมาขึ้นมาเอาคนไปเดี๋ยวนี้มาเอาคนไปเดี๋ยวนี้เราก็ไปไปไปเดี๋วนี้เลยไปไปอย่ามัวเจ้าชะเราทําเป็นหันไม่ไม่หันไปมองเลยแต่เรารู้เลยว่าสติเริ่มคืนแล้วเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าสติเริ่มคืนพอเราไปเราลุกข่ายกะพออาจารย์จะไปจริงจริเหรอ <c oughs> เสียงเราก็ไอ้ควมสติกลับอีกเราก็ไปไปเดี๋ยวนี้ยไปจริงๆริงเลยไปไปรถมาแล้วไปไปไปอย่าอาจารย์ไม่กลับไปลาลูกผัวก่อนเหรอจะลาทำไมลราเขาจะตายกันหมดแล้วไอ้ไรจะไปจะไปลาทําไมร้องไห้เลยรนะ้องไห้จริงๆเลยอาจารย์ต้องกลับไปลาครอบลาครอบครัวก่อนอะไรอย่าร้องไห้อ่เลยเออพอร้องไห้แล้วสติมันก็คืนมาแล้วไงเราบอกเห็นไหมเนี่ยพิจารณาอะไรพิจารณาจำเพี้นพยนอย่างเงี้ย ไม่มีสติเนี่ยร้องไห้เลยแล้วก็คืนตัวเลยพอร้องไห้พว่าคืนตัวเลยเราได้ดูเออนนเนี่ยเออมันเบื่ออารมมันมันเบื่ อ, ม, อมันเบื่อแบบหลงอารมณ์ไอเห็นความคิดเห็นความคิดอย่างนั้นอจะปล่อยให้ความคิดนี้เข้ามามีา อ, งงามนะอํำนาจครอบงำนะอารมณ์อย่างเงี้ยนะเนี่ยคนฝึกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วโอ้โหอันตรายมากอันตราย แต่หละนี่ถ้าไปเจอเราโอ้โหคนเราก็แย่เหมือนกันพวกนี้ยพอเราเราเราปรุงไปเงเข้ามาเขามีอารมณ์เบือ่อ<ม>ก็มีเป็นเหมือนกั น, นอีกอีกท่านหนึ่งเงี้ยอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กันเนีะร้องไห้แต่จิตมันไม่เป็นเนี่ อ, อจิตมันไม่เป็นเออให้มันกลับคืนสติกับคืนมา เราก็เห็นจิตที่พรุงแต่งเห็นความคิดปรุงแต่เห็นความคิดความคิดความคิดไปเนี่ยเริ่มคืนตัวอะไรไหมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนเดิมไหมไหนพูดสิตอนเนี้ยเป็นไงเหมือนเดิมไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องรู้ปัจจุบันใช่ไหมคะเห็นไหมตอนเนี้ยสดใสขึ้นมาเลยเพราะอะไรนมันเบื่อโลกเบื่ออารมณ์เบือเบ่อนั่นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นเนี่ยม่มาหาเราตอนนี้มีอาการจะเป็นมาก อย่าให้กลับคืนไปอีกนันอะีกนะอย่าไปหลงอารมณ์นะ <blows. S 1> ให้เห็นความคิดปรงแตง่งเห็นความคิดปรงแตง่ความคิดรงแตง่งล้วก็อย่าหลงไปกับความคิดปรงแต่งนะปฏิบัติธรรมไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหอันตรายมากเป็นอะไรไม่มีใครแก้ให้่ะ ว, ว่าไงอะ เบสไขงขหลังเอาเอามันแทบจะไล่คนเลยมั น, นี่ยเออเอเตรียมกระดาษที่ชู่ไปแล้วอาจารย์นะคะเบสเมื่อกี้ฟังเจนนะคะก็ถ้าหนูไม่เป็นอาจารย์แก้ให้หนูด้วยนะคะหนูคิดว่าหนูก็คือหนูหนูคิดว่าหนูเห็นบางอย่าง เห็นความคิดแล้ค่ะแล้วทีนี้ยมันก็ยังมีความคิดบางอย่างที่หนูไม่เห็นอีกอย่างเช่นความคิดที่ว่าเฮ้ยเรายังมีกิเลสอยู่เราทําตัวไม่ดีเราเคยเหลวไหลเราห่างอาจารย์ไปนานซึ่งอันนี้เป๊จะไม่ค่อยเห็นแต่พออาจารย์แนะนําเจนก็เลยมาเห็นตรงนี้พอพอเห็นแล้วก็มันก็ยังพอพอเห็นมันก็ยังมีอาการอื่นให้ เหมือนพอมันเห็นตัวนี้ค่ะอาจารย์แล้วมันก็เหมือนมีมีมีสิ่งมาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราต้องเห็นอีกตัวหนึ่งที่มันเห็นไอ้พวกนี้ค่ะมาพอพอมันเห็นไอ้ตัวนี้อีกแล้วมันก็มันก็เห็นว่ามันมีคนหันมาเห็นอีกมันคือหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันต้องต้องกลับมาเห็นเรื่อยเรื่อเรื่อยรืยแต่ว่ามันยังมีคนเห็นอันนึงตลอดเวลา อืมก็อย่างนั้นแหละมันมันยืนพื้นตลอดเวลาเลยค่ะอืทีนี้หนูก็เกิดความสงสัยว่าอันนี้ใช่ไหมหนูก็เห็นไอ้ตัวที่ถามว่าใช่ไหมอีกอเมื่อมันก็เห็นคนที่ที่ทําอาการเห็นอีกเรื่อยๆอ่ะค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> มันต้องเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะ่ะ พอพ อ, พอพูดอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันต้องเห็นอีกตัวหนึ่งซ้อนไปเรื่อยเยเรื่อยมพูดเองก็ตอบเอง <c oughs> ปล่อยวางทุกตัวอย่าหาตัวผู้เห็นปล่อยวางตรงขานทุกตัวแม้ตัวไหนที่เราบอกว่าใช่ก็ต้องปล่อยวางไปไม่เช่นนั้นจะมีตัวมายึดถือตัวที่ใช่ ถ้าเราปล่อยวางตัวที่ใช่ทุกตัวจะไม่มีผู้มาจัดถือตัวที่ใช่เลยถ้าเราว่าโอ้ตัวนี้ใช่แล้วกลายเป็นมีตัวมาจัดถือตัวที่ใช่ทันทีมันแค่ต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าเหมือนตัวที่เห็นว่าใช่มันก็คือต้องช่างมันไปแล้วก็แค่เข้าใจว่าหนูไม่รู้จะถามยังไง ตัวที่จะถามตัวที่จะใช้สังขารเท่านั้น<ะ>ไม่มีตัวใช้ไม่มีตัวใช้ตัวที่ใช้ไม่มีปล่อยวางหมดทุกตัวในปัจจุบัน<ะ>ปล่อยวางทุกตัวในปัจจุบันเลยอะไรกระเพื่อมอะไรไหวตัวอะไรกระเพื่อมอะไรไหวตัวไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับเลย มันจะ ก, กับเพื่อมันจะไวตัวอะไรภายในร่างกายเราภายในจิตใจเร yani, yani, าไม่มีใครเป็นเสวยไม่มีใครไปรองรับจึงไม่มีอะไรใช่ถ้ า, า, ถามีตัวไหนใช่ตัวตัวโอ้ตัวนี้ใช่เลยตัวนี้ใช่หรือว่าเราไปหาตัวที่ใช่เรากลายไปเป็นตัวสังขารหมดเลยอย่าไปหาตัวที่ใช่พอจะไปหาตัวที่ใช่เรากลายเป็นตัวสังขารหมดเลยเรากลับไม่ได้ปล่อยวางสังขารทําไมเอาเลยเลยไม่ยืดเหื อ, อเลยเลยปล่อยวางทั้งหมด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจเราไม่มีความหมายต่อใจเลยนั่นแหละสิ้นความหมายสิ้นความหมายต่อใจก็เรียกว่าสิ้นผู้ยึดถือแต่ถ้าเราจะไปเอาอะไรอ่ะจะไปดูให้รู้ให้เห็นนั่นกาจะไปเอาอะไร น, นั่นแหะไม่สิ้นผู้ยึดถือภายในร่างกายจิตใจเราเนี่ยไม่มีอะไรใช่เลยปล่อยให้มันเป็นวันอย่างที่มันเป็นน่ยไม่เข้าไปยึดถืออะไรเลย ความสิ้นผู้ยึดถือนัน่นแหละจึงเรียกว่าสิ้นกิเลสไปรู้ความนิพพานจึงไม่มีอะไรที่ใช่ในร่างกายจิตใจเราเลยที่เราจะไปยึดถือได้พอยึดถือปุ๊บเป็นกิเลสทันทีเลยเพราะในร่างกายจิตใจของเราเอาทั้งหมดอะจึงไม่มีอะไรใช่ถ้าใช่เรายึดทันทีเลยแต่แค่รู้มันแต่ไม่มีใครยึดถือรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่มีใครยึดถือแต่ไม่ใช่ว่าไปดูไปคอยดูรู้มัน อะไรก็ตามที่มันมันอยู่ในมันเกิดขึ้นมาในร่างกายในจิตใจเรามันจะเป็นยังไงไม่มีใครยึดถือมันจะเกียบมันจะส ง, งบมันจะว่ามันจะสั ง, งัดยังไงก็ตามมันนี้เราอ่านใจเราอย่างเนี้ยไม่มีใครยึดถือไม่มีใครยึดถือทุกอย่างไม่มีใครไปะ ว, ลวลิลไม่มีใครยึดถือสักอย่างสิ้นผู้ยึดถือ น, นั่นแหละจึงสิ้นกิเลสสิน้นทุกข์จึงบรรลุนิพพานเข้าใจไหมเนี่ย หนูคิดว่าเข้าใจค่ะดีแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นซื่อๆรู้ซื่อๆนิพพานปล่อยทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็น มันจะว่างก็ปล่อยมันว่างอย่างที่มันว่างมันจะมันจะมีในความว่างมีสิ่งปรุงแต่งก็ปล่อยมันปรุงแต่งไม่มีใครไปยึดถือตั้งสิ่งที่ปรุงแต่งไม่มีใครไปยึดถือตั้งความว่างตรงตามมหาบัวที่กล่าวว่าใจที่ว่างเปล่าไม่ใช่ขันห้าใจที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งไม่ใช่ขันห้าสิ้นยึดถือขันห้าที่เป็นสังขารปรุงแต่ง แต่มายึดใจให้ว่างเปลา่าเป็นอวิชาตัวใหญ่ใจที่ว่างกับคงว่างอยู่เช่นนั้นว่างเปล่ามันหนึ่งเดียวกับอวกาศขาน้าที่ปรุงแต่งก็คงปรุงแต่งนั่นแหละสิ้นผู้ยึดถือทั้งใจที่ว่างเปล่าแล้วสิ้นผู้ยึดถือเต่วจิต ท, ที่ปรุงแต่งคือภายในร่างกายจิตใจเรามันจะว่างกับว่างไปมันจะปรุงแต่งกับปรุงแต่งไปเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งคู่เป็นธรรมชาติ ที่ฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งคือความว่างจากความปรุงแต่งกับเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติทั้งคู่คือธรรมชาติสองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่รรายปรุงแต่งมี ค, ความรู้สึกนึกษษคิด อ, อารมณ์ได้กับธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครยึดถือทั้งธรรมชาติที่ปรุงแต่งและใจที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งสิ้นผู้เ ส, ส, สวยสิ้นผู้ยึด voilà ถือสิ้นผู้ยึดมาถือมั่ อยู่กับรู้ตัวเนี่ยพระแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ถามท่านอยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้รู้อะไรก็รู้ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมันถึงมันอยู่กับรู้ตรงนี้เนี่ยเมื่อสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมัานถึงมันก็รู้ว่าปนี้สิ้นกิเลสแล้วสิ้นทุกข์แล้วการเวียนว่ายตายเกิดจบแล้วชาตินี้เป็นชาติตัวชาติ ด, ด, ดอีกไม่มีที่ท่านกล่าวไว้นะ เราจำคำหมาพูดไปเลยเราเราพูดจากเราเป็นหรอเดี๋ยวใครจะไปพูดกันต่อๆไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าก็อยู่กับรู้อันนั้นรู้อะไรกับรู้่เนี่ยพบฌาดจบแล้วความสิ้นยึดจบแล้วไม่ยึดทั้งว่างใจที่ว่างไม่ยึดทั้งสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดดับในใจเมื่อสิ้นยึดแล้วก็ ร, รู้ว่าแบัดเนี้ยสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์แล้ว บรรลุนิพพานแล้วการเวียนว่ายตายเกิดจบแล้วชาติหน้าไม่มีอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ก, าก็ได้บอกไว้ชัดไม่ใช่ปฏิบัติไปเพื่อไปเป็นอะไรหรอกปฏิบัติไปก็เพื่อความสิ้นยึดอ่านใจตัวเองให้ขาดยจะไปเอาอะไรหรือเปล่าจะไปยึดอะไรหรือเปล่าจะปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็น แตาปล่อยเป็นอย่างที่มันเป็นก็สิ้นหยุติจริงๆก่อนนี้เราไปอาบน้ําไปตงน้ำล้างเท้าให้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เอ๊ทำไมพ่อแม่ครูอาจารย์มันถึงทะลุไ ป, ไ, ไ, ป ไ, ป ไ, ลไปหมดเลยวะเนี่ยรู้สึกก็ไปไฟในมันทะลุไปหมดเลยไม่ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยทําก็ปรากฏว่าเพราะท่านสิ้นผู้เสวยถ้าก็เลยพอทําปรากฏแก้ใจแล้วว่าเพราะ ท่านสิ้นผู้เวยแค่นั้นแหละท่านเลยอะไรลงตาถ้ากันเร็วเหมือนกันนะพอทรรบอกว่าท่านสิ้นสิ้นผู้เสวยพปก๊บอะไรลงตาอขอโอกาสทําปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สิ้นผู้เสวยแล้วแต่แล้กแหมดอกคำราชาศัพท์เชียวมันสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่น ผู้สิ้นกผู้ที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นกิเลสเพราะไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีกิเลสสิ้นกิเลสผู้ที่สิ้นกิเลสก็สิ้นทุกผู้ที่สิ้นทุกแล้วคือเรียกว่าพ้นจากทุกบรรลุนิพพานผู้ที่พ้นจากทุกแล้วบรรลุนิพพานแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์นะท่าก็บอกเราอย่างนี้สิ้นผู้โศเบยแต่ ท่านใช้คําว่าสิ้นผู้กิีนาการสิ้นผู้ยึดมั่นถึงมั่นไม่ค่อยโดนใจเราเพราะว่าทำมันปรากฏแก่ใจว่าตรงๆไปเลยตรงมาเลยว่าสิ้นผู้เสวยเราก็ใช้คําตรงตรงว่าสิ้นผู้เสวยมันโดนใจเรามากกว่าเราเอาตามทำทำก็ขึ้นอย่างนั้นจริงๆว่าสิ้นเพราะสิ้นผู้เสวยติมลินิพาไม่ใช่ว่าไปไปเอาใจว่างไปได้ไปเอาใจว่างเอาสภาวะธรรมอัศจรรย์อะไรไม่ใช่สิ้นผู้ยึดถือนั่นแหละสิ้นผู้เสวยแค่นั้นเอง ที่ท่านกลว่า บ, บัดเนี้ยอยู่ก็รู้รู้อะไรก็รู้ว่าบัดเนี้ยสิ้นผูเสวยแล้วสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านแล้วกิเลสก็สิ้นแล้วทุกข์ก็สิ้นแล้วบรรลุนิพพานแล้วพบชาติใหม่ไม่มีอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเรียนพรท่านก็เลยว่ากิจที่ต้องทําจบแล้วคือไอ้ที่ไปปรุงแต่งทําอะไรให้เป็นอะไรมันจบหันแล้วไม่มีแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างปัจจุบันอะไรเป็นขันธ์หน้าไปปรุงแต่งก็ปล่อยปรุงแต่งไฟไม่มีใครยึดถือไม่มีใครเสวย อันไหนใจที igan, so ่ว่างเปล่าก็ปล่อยใจที่ว่างเปล่าไปไม่มีใครยึดมั่นเลมีใครเสวยสิ้นผู้เสวยจึงเป็นนิพพานจึงไม่ได้หมายเอาว่าใจที่ว่างเปล่าเป็นนิพพานถ้าไปหมายเอาใจที่ว่างเปล่าเป็นนิพพานมันจะไปยึดใจที่ว่างเปล่าทันทีไม่เป็นนิพพานได้อ่านใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันไม่มีหน้าที่อะไรแล้วอ่านใจตัวเองขาดอย่างเดียวทุกขณะปัจจุบัน จะยืนเดินหน้า น, น, น้อข้องน้ามันส้มดื่มกินก็รู้ใจตนเองอยู่เยียบเงียบยิ่งเราอยู่คนเดียวโอกาสทองเราอยู่บ้านพักคนเดียวอยู่อบอบพัดเป็นคนเดียวไม่มีลูกกวนตัวผัวกวนใจใช่ไหมอย่างนี้กัโอ้วาสนาอ่าวาสนาสะเกตดใจตนเองอยู่ยเงียบ เรไก็เห็นได้ละของมันมีอยู่แล้วเนี่ยใจที่ว่างป่าแต่ความปรุงแต่งมันก็มีมันอยู่แล้วการหน้าที่มันปรุงแต่งได้มันก็มีมันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่กันทั้งคู่แต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นแหะเรามัวแต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งซะเราเลยกลายเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเราไม่สิ้นปรุงแต่งสักทีเรากลายเป็นตัวปรุงแต่งได้เราก็เลยไม่เห็นมันที่หลวงปู่มั่นครูเรียนโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ว่าสิ้นสังขาร ก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงสิ้นสังขารก็เราไปเป็นสังขารสังขารสังขารปุงแต่งปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วัจะไปเป็นสิ้นสังขารได้ไงมันสิ้นสังขารที่มีธรรมที่มั่นคงก็ทําอะไรการเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงแล้วก็อ่านใจเราให้ขาดมันยังสังขารสังขารอะไรอ๋อเราไปลงไปสังขารก็ทิ้งให้หมดเอา เราสังขารไม่ได้เป็นใจที่ไม่สังขารแล้วเราไปเป็นสังขารเยงยยงเยงแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่าเราเนี่ยโง่จริงไว้เอาหมาไหมาดามเขาบอกเดี๋ยวเขาไปหลงไปสังขารนะเวลาไม่บ่อยมันก็เออมันไม่หลงไอ้ไม่เอาสังขารเป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นสังขารไม่ได้ไอ้ตัวเราที่สังขารได้มันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเรามึงตัวปลอมมันก็จะไม่หลงไปสังขารเยงเยงเยงเยงที่หลนค้นหาหาเหตุหาผลพยายามพยายามอยู่น้วยเนี่เพราะว่ามันใจเป็นใจที่สังขารไม่ได้อ๋อแล้วทำไม มันนั่งสังขารอยู่เยงเยงเยงแล้วดิ้นรนค้นหาพยายามพยายามพยายามวุ่นวายอยู่นั่นแหละอ้าวเป็นใจที่ไม่สังขารอ้าวไงมาเป็นสังขารดีว่านี่เมื่อไหร่จะสิ้นสังขารมีธรรมที่มั่นคงอ่ะนะ อ, อยู่คนเดียวเงียบเงียบอยู่เรือนว่างเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเน่ยนะทำเธอก็รู้หมดแล้วเขาใจ่มหมดแล้วนั่นคนไม้นั่นป่าชา้านั่นเรือนว่างเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเออคนมีครอบัวปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ย แต่กคนมีครอบครัวจะน้อยใจปฏิบัติได้คนมีครอบครัวถือสีนห้าบริสุทธิ์ข้อสามถือพรหมจรรย์ก็บรรลุอลหรหันต์ได้ถ้าดูใจของตัวเองเป็นดินาสังขารไม่ติดทางสังขารกายไม่ติดทางสังขารจิตก็บรรลุนิพพานได้แต่ข้อสามต้องถือพรหมจรรย์เพราะว่าถ้ายัางเสพกามกันอยู่ยังร่วมบรเวณีกันอยู่จิตมันดื่มด่ำในรสชาติของกาม มันยากที่จะบรรลุนิพพานได้มันต้องละขาดที่ใจแล้วก็แม้แต่มีครอบครัวถ้าตื่สิทธิห้ามไปสุดข้อสามถึงพระมารดารย์ก็บรรลุนิพพานได้ใจมุมงสู่มรรคผลนิพพานทั้งคู่ก็จ่าก็มุ่งแน่เลยไปว่อย่างเนี้ยปว่างสังขารการยไปว่างสังขาริ